ปาราชิกสี่ข้อสุดท้ายอวดอุตริมนุษธรรมอนุศาสตร์8กรณียกิจสี่อกกรณียกิจสี่กรณียกิจสี่เป็นกิจที่ควรทำเที่ยวบินทรมบาทนุ่งห่มผ้าบางสุกุลอยู่โคนไม้เป็นวัดฉันยาดองด้วยน้ำมูดเนา่าที่นี้อกกรณียกิจคือกิจที่ไม่ควรทำเศพเมถุนลักของเขา ฆ่ามนุษย์ให้ตายอวดอุตริมนุสธรรมที่ไม่มีในตนรักพี่สุไปอวดอุตริมนุสธรรมแม้เป็นจริงบอกอุตตริมนุสธรรมแก่ขฤารือหัดเป็นอาบัติปาจิตติ